ทีแร้ก็จะปล่อยวางร่างกายก่อนร่างกายปล่อยวางง่ายนะปล่อยวางความยึดถือกายไปนะก็จะไม่เที่ยวสแสวงหาความเพลิดเพลินพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกแล้ว mm hmm. จิตใจก็จะเป็นกลางต่อรูปเสียงกลิ่นรสปฐพภะ ท, ทั้งหลายนะจิตใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายที่เรียกว่าละกามและปฏิฆะได้นี่เป็นภูมิของพระนาคามี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 ถ้าเมื่อไรเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแลเราจะรู้กายเราจะรู้ใจถ้าเมื่อไหร่เราลืมตัวลืมกายลืมใจเราจะไปรู้เรื่องราวที่คิดนะนั้นอารมณ์มันมีสองงานเท่านั้นเองอารมณ์บัญญัติกับอารมณ์รูปนามจิตต้องมีอารมณ์นะถ้าจิตไปรู้เรื่องที่คิดเนี่ยจิตจะลืมกายลืมใจหลวงพ่อยกตัวอย่างอย่า ง, างสมว่าเรานั่งอา tête, soda, peux, Piet, ่านหนังสือนะอ่านไปคิดไปนะในขณะนั้นเราอ่านหนังสือเพลิดเพลินไป เห็นไม่เรามีร่างกายก็เหมือนไม่มีนะเราลืมไปเลยลืมกายตัวเองนะจิตใจของเราเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลเราก็ไม่รู้ด้วยนะหรือเรานั่งเล่นไพ่เอนั่งเล่นไพ่เพลิดเพลินนะจดจ่อในการเล่นไพ่เพลินแหมสนุกสนานเฮฮานะตำรวจมาก็ไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้อะไรหรอกนะลืมลืมของจริงลืมโลกข้างนอกนี้ลืมมัวแต่อยู่ในโลกของความเพลิดเพลินความคิดความฝันไป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 ให้เรารู้ทันว่าจิตกำลังคิดอยู่ไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดคนทั้งหลายรู้เรื่องราวที่จิตคดิดไม่รู้ว่าจิตกำลังคิดอยู่สองันนี้ไม่เหมือนกันนะค่อยๆฟังค่อยๆแยกแยะไปถ้าเรารู้เรื่องที่จิตคิดเนี่ยหมาแมวมันก็รู้นะอย่างแมวมันอยากจับนกเนะี่ยมันคิดอย่างนี้มันก็รู้ว่ามันใจไปจับนกนะแต่ว่ามันไม่สามารถรู้ว่าจิตกำลังคิดอยู่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 เราจะรู้กายรู้ใจตัวเองได้ถ้าเราไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราจะไม่หลงเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดถ้าเรารู้ทัน s. <S ว่าเรากําลังคิดอยู่ถ้าเมื่อไหร่ใจเราไหลไปค sí ิดแวบไปนะเรารู้ทันว่า flowers, ไห <Sar> mm. ลไปคิดแล้วเราจะหลุดออกมาเลยเราจะตื่นในฉับพลันนะทันทีที่จิตตื่นเนี่ยจิตจะมีความสุขทันทีเลยจิตจะมีความสุขโชยแผ่วๆขึ้นมานะทันทีที่เกิดสติจิตเป็นกุศลทันทีที่จิตเป็นกุศลจิตจะมีความสุข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 แต่ว่าพอฟังไปถูกไล่บ้างไล่บ้างนะะเดี๋ยวเดียวล่ะเข้าใจแล้วเห็นสภาวะใจไหลไปก็รู้ใจไหลไปก็รู้ก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้เห็นไปมากเข้ามากเข้าเวลานี้ตอนเช้าเช้านะโยมไปรายงานการปฏิบัติที่วัดน่าฟังบางทีก็มีพระท่านไปนั่งฟังเยอะแยะเลยพระก็ไปฟังด้วย เวลาญาติโยมมารายงานการปฏิบัติเนี่ยจะรายงานว่าหมู่นี้ดีฉันไม่ได้ปฏิบัติแต่สติเกิดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยบางคนบอกนะขณะนอนหลับนะพลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้สึกนะีรู้สึกนะไม่ใช่ไม่รู้สึกใครบอกว่าดูจิตแล้วไม่รู้กายไม่จริงนะนอนหลับเนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวารู้ทั้งคืนเลยนะจิตใจขยับขยืขย่นเคลื่อนไหวเนะี่ยรู้ได้ทั้งคืนนะีมีคนหนึ่งมาบอกเลยว่าเวลาฝันนะั่นคือความคิดนั่นเอง เขาเห็นเลยว่าจิตมันคิดพอคิดปั๊บมันขาดปั๊บคิดปั๊บขาดปับดปบดป๊บมาสติมันรู้ทันแม้การปฏิบัติจริงๆไม่ยากเแล้วเขาบอกว่าจิตใจเขาเปลี่ยนแปลงจิตใจมีความสุขนะมีความสุขฉับพลันเลยภาวนาไปเนี่ยไม่ใช่ยิ่งปฏิบัติยิ่งเครียดถ้าเมื่อไร่ปฏิบัติแล้วเครียดทําผิดนะผิดแน่นอนถ้าปฏิบัติถูกเนี่ยยิ่งปฏิบัติยิ่งสบายจิตจะต้องปลอดโปร่งโล่งเบาขึ้นมา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 จับต้นชนปลายไม่ถูกแต่ทนฟังไปหลวงพ่อไม่ได้เทศเพื่อให้จหําหรอกแต่เทศด้วยจิตด้วยใจจริงๆพวกเราฟังนะฟังไปสบายๆฟังไปถึงจุดหนึ่งจิตใจมันจะสงบจิตใจมันจะสบายจิตใจมันจะตื่นขึ้นมาอย่าง CD ดีหลวงพ่อฟังแล้วไม่ค่อยเคลิ้มหายากนะที่บอกว่าฟังแล้วก็เคลิ้มหลับไปเนี่ยไม่ค่อยมีนะมีแต่ยิ่งฟังยิ่งตื่นยิ่งฟังยิ่งตื่นตื่นขึ้นได้ทั้งวันทั้งคืนนะฝึกไป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 พอใจลอยแวบท่านหันมามองเลยไม่เต็มใจนวดก็ไม่ต้องนวดหรอกเอ๊ะเราว่าเราเต็มใจนะะเราอยากนวดเราไปขอนวดเราก็งงงนวดอีกนวดนวดพอใจลอยมองอีกแล้วไม่เต็มใจนวดไม่ต้องนวดหรอกโดนเข้าหลายหลายทีรู้เลยอ๋อจิตเราหนีไปจิตเราหนีไปเห็นไหมมาถึงยุคนี้หลวงพ่อไล่จี้ยเหานไหมจิตแอบไปคิดแล้วนะนี่บอกตรงตรง ถ้าคือหลวงพ่อบอกไม่เต็มใจฟังก็ไม่ต้องฟังหรอกดีไม่ดีมุกขึ้นโชคหลวงพ่อนะเจริญนิสัยคนมันดูมันดูร้ายขึ้นทุกวันนะ <c oughs> มันเครียดนะคนยุคนี้มันเครียดเพราฉะนั้นบอกอะไรก็ต้องบอกตรงๆหัดสังเกตไป ใ, ใจของเราหลวงพ่อพูดให้ตลกรู้สึกไหมเวลารู้สึกตลกเห็นไหมสบายใจให้รู้ลงไป ใ, น ใ, นใจเราเปลี่ยนไปแล้วทีแรกเฉยๆตอนนี้ขำๆสังเกตอีกสังเกตอีก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 รู้กายรู้ใจของเราหัดรู้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็รู้แจ้งขึ้นมากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงหรอกนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแ ป, แปล ง, ปลงทั้งวันทั้งคืนกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์นะบังคับไม่ได้กายนี้ใจนี้เป็นอนัตตาเอนะเป็นทุกข์ก็เป็นทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะอันใดหนึ่งเป็นอนัตตาคือมันควบคุมไม่ได้บังคับไม่ไดนะ้กรรมฐานจริงๆไม่ได้เรื่องยากนะฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วก็สังเกตจิตใจไปเมื่อวานนะตอนกลางวันหลวงพ่อเดินอยู่ในวัดนะ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 คนอื่นขายผักอยู่นะเมืองสุรินทร์มันร้อนนะคนอื่นหน้าเหี่ยวหมดเลยแม่คนนี้ผักเขี่ยวในหน้าตาเบิกบานน <c oughs> ะตอนหลังไปเจออยู่ที่วัดสาขาหลวงปูดูลภาวนาภาวนาดีนะพราะขายผักไปจนเข้าใจธรรมะอผักวันนี้ขายผักอยู่ไม่มีคนมาซื้อเลยกลุ่มใจรู้ว่ากลุ่มใจเห็นใจมันกลุ่มนะเอะความกลุ่มไม่ใช่ว่าห้ามได้ใจมันกลุ่มไม่ใช่เรากลุ่มเห็นไหย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 เพราะเราไม่รู้ว่าต้นทางของสติคืออะไรต้นทางของสมาธิคืออะไรต้นทางของปัญญาคืออะไรถ้าไม่รู้เหตุมันอะอยู่ๆก็มั่วๆจะไปเอาผลนะอย่างพยายามเดินจงกรมกระแทกเท้าแรงๆหวังว่ากระแทกเท้าแรงๆ แ, แล้วมันจะไม่เผลอจะไม่ขาดสติไอตรงที่อยากจะไม่มีอยากไม่ให้ขาดสตินั่นแหละขาดสติไปเรียบร้อยแล้ะในตอนที่ไปเดินกระแทกโคลนๆตอนนั้นเราไม่มีสติหรอกกาลังทําไปด้วยอํานาจบงการของความอยากสติจะเกิดไม่ได้เลยนะ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 เดี๋ยวมันก็โลภเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็หลงดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อ ย, อยสังเกตไหมใจทํางานตลอดเวลาดูออกขึ้นยังดูได้ไหมเนี่ยใจลอยออกไปนอกวัดแล้วไปให้ออกไปนอกสาลาลุงชินแล้ว <c oughs> นั่ น, น, นคนนี้ยเสื้อดําอ่ะหนีไปเที่ยวแล้วดูออกขึ้นยังรู้จักยังจิตที่ตื่นเป็นไงขณะเนี้ยมันรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกไหมจิตมีปีติ เหนปีติก็เกิดขึ้นมาเราก็รู้ทันว่ามีปีตินะจิตเป็นยังไงรู้ลงไปปัจจุบันรู้ไปอย่างนั้นเลยเอา้าเสื้อเขียวเนี่ยใจลอยไปแล้วไปยักหนา้ากึกกึ๊กึ๊กนะใจหนีไปแล้วที่วัดหลวงพ่อเขาจะมีป้ายนะมีเลขเดี๋ยวนี้เริ่มมีพัฒนาการบางคนทำป้ายชื่อเลยใส่ชื่อมาเลยนะติดชื่อเมื่อวานมีคุณอูทยัยคุณอะไรก็ไม่รู้หลายคนนะแล้วติดชื่อ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 เราก็ต้องดูหันซ้ายหันขวาโ้รถเยอะกลุ่มใจรู้ว่ากลุ่มใจนะเอารถมีช่องว่างเราวิ่งข้ามไปนะข้ามไปรถเฉียวยใจหายว่บาบเลยเห็นใจหาย น, น, นี่ต้องฝึกนะฝึกให้ได้อยู่ในชีวิตจริงๆของเรานี้แหละไม่ใช่แกล้งทําอะไรให้ชา้าๆนะเดินก็ชา้าๆกินก็ช้าๆทาอะไรให้ชา้าๆหวังว่าสติจะเกิดนะต้องสามารถฝึกอยู่ในชีวิตประจําวันให้ได้ นะหัดดูจากของจริงตอนนี้เลยนะตามดูจากของจริงขณะนี้ไปเลยจิตใจขณะนี้เป็นยังไงคอยตามรู้ตามดูไปเด็กๆมันยังทำเป็นเลยหนะลวงพ่อเคยถามเด็กบ่อยๆเด็กที่ไปที่วัดนะบอกว่ารู้จักอิจฉามไหมเด็กก็หันไปมองน้องแวบหนึ่งหันมาบอกหลวงพ่อรู้จักรู้จักเด็กมันยังรู้จักเลยเด็กรู้ไหมแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันมองหน้าแม่นิดนึงนะแล้วก็พูดเบ า, เบา ใช่เกรงใจแม่กลนะัวแม่รู้ความจริงหารู้ไม่ว่าแม่ก็รักลูกแต่ละวันไม่เท่ากันเหมือนกันนะนี่หลวงพ่อไม่ได้ถามเดี๋ยวลูกมันรู้ทันแม่นะนขนาดเด็กๆนะมันยังอ่านใจตัวเองได้เลยแล้วทำไมเราโตป่านนี้เราจะอ่านไม่ไดนะ้ให้เราคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะมันโกรธขึ้นมาก็รู้นะมันโลภขึ้นมาก็รู้มันใจลอยไปก็รู้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 ถ้าทำวิปัสสนาเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจเพื่อความจริงนะไม่ใช่เพื่อความสุขความสงบความดีเพราะความสุขถาวรไม่มีความสงบถาวรไม่มีความดีถาวรก็ไม่มีนะในโลกนี้มีก็ดีชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวนะโลคโกรธหลงก็ของชั่วคราวเหมือนกันในความจริงมีแต่ของชั่วคราวะเงั้นความสุขถาวรที่เราปรารถนาเนี่ยไม่มีความสงบถาวรก็ไม่มีนะไปเข้าสมาธิ ออกจากสมาธิก็ฟุ้งซ่านอีกนะนั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้เราปฏิบัติไม่ใช่เพื่อจะเอาของที่ไม่มีแต่ว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติเพื่อจะอยากได้ของที่ไม่มีนะมันถึงล้มลุกคลุกคลานไปเรื่อยรู้สึกไหมภาวนาไปนะวันนี้สงบเอาพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านอีกแล้ววันนี้ดีจิตเป็นกุศลพรุ่งนี้โมโห อ, อีกและ้นะเนี่ยจะหมุนเวียนไปอย่างนี้เรื่อเพราะอะไรเพราะของจริงมันเป็นอย่างนั้นมันของไม่เที่ยงมันของเป็นทุกข์ของบังคับไม่ได้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 เห็นยากที่จะเห็นว่ากายกับใจเป็นทุกข์ถ้าเมื่อไรเห็นว่ากายกับใจเป็นทุกข์จริงๆจะเป็นพระอรหันต์แล้วจะข้ามโลกและวงั้นถ้าใครรู้แจ้งอริยสัจนะจะข้ามภพข้ามชาติถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจยังต้องเวียนว่ายตายเกิดนี่พระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างนี้นะอริยสัจเนี่ยเราต้องตามรู้กายรู้ใจจนเห็นความจริงคือเห็นอริยสัจนั่นเองเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขว่าง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 พรหมจรรย์อยู่จบแล้วหมายถึงการประพฤติปฏิบัติทําการศึกษาธรรมะศึกษากายศึกษาใจขอเราศึกษาเสร็จแล้วกิตที่ต้องทําทําเสร็จแล้วกิตที่ต้องทําเพื่อความพ้นทุกเนี่ยทําเสร็จแล้วกิจที่ต้องทําอีกไม่มีแล้วมันก็จะมีสภาวะเหมือนคนที่อยู่กับลองวิกเอนมีความสุขนะแต่พวกเราถ้าลองวิกเอนนานๆเราจะทุกข์รู้สึกไหมเ <laughs> พราะใจเรายัางดิ้นอีกลองวิกเอนนานๆก็ใจใ จ, ใจฟุ้งซ่านไปนะ แต่ถ้าเราภาวนานใจมันจะเหมือนลองวิกเอนสดๆดดร้อนๆออมีความสุขมีความสุขทุกวันฝึกไปนะแล้วเราจะมีความสุขคนที่ไปเรียนที่วัดหลวงพ่อเวลามารายงา น, นะจะรายงานมีความสุขไม่ใช่เครียดนะเพราะงั้นคนที่ไปเรียนที่หลวงพ่อรับรองไม่มีบ้าไม่มีคนบ้านะมีแต่คนบ้าไปเรียนแล้วหายบ้าแต่ว่าบ้าแล้วอย่าพาไปหาหลวงพ่อนะคุณเสียเวลามากเลยแก้คนเพี้ยนเพียนคนหนึ่งนะ ใช้เวลาไปสอนคนธรรมดาได้ยี่สิบสามสิบคนภนะาวนา mm hmm. พอสติตัวจริงเกิดก็มีความสุขพอจิตตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิก็มีความสุขพอเกิดปัญญานะก็มีความสุขนะเกิดวิมุติก็มีความสุขมีแต่ความสุขล้วนๆหน่ยความสุขที่ประณีตขึ้นประณีตขึ้นหนุ่มที่ใส่เสื้อขอกลมใส่แว่นอนะ่ะเมื่อกี้ทําอะไรนึกออกยังก่อนที่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 เราก็รู้ทันมันอย่างเงี้ยรู้ว่าแค่อยากถามหลงละรู้สึกไหมอยากพูดแล้เมื่อ ก, กี้เนี้ยใจไหลไปใจไหลไปตรึกไปคิดให้รู้ไปเรื่อยเรื่อเริ่มบังคับตัวเองแล้วทราบไหมค่ะเออเนี่ยหัดดูเองเนี้ยนะดูลงปัจจุบันไปเรื่อยร่เราจะเห็นเลยมันทำงานของมันเองตลอดเวลาบังคับมันไม่ได้ <c oughs> เมื่อกี้ทำอะไร <c oughs>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 จิตขนาดนี้เป็นยังไงขนานี้แหละครับก็มันเฉยๆครับก็มันไปกดไว้รู้สึกไหมกําลังควบคุมตัวเองอยู่ดูออกไหมไม่ออกครับนะสังเกตไหมใจขนาดนี้ยนิ่งกว่าความเป็นจริงดูออกไหมให้รู้ตอนที่ผมไปเผลอหันไปเผลอตอว่าตอนหันไปเผลอไปดูเมื่อกี้ผมก็คิดว่าเอจะหันไปดูนะอะไรเงี้ยยังยังถือว่าไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมครับ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 มันเจือเข้าไปงั้นไม่ใช่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจริงๆจะไม่เจือด้วยความจงใจออกแล้วให้ทํายังไงครับทำไม่ได้ให้รู้ตามที่มันเป็นนะไม่ใช่ให้ทําอะไรก็รู้ตามให้มันเป็ น, ปนแล้วจะจะรู้ตอนนี้สังเกตไห<ป>มตอนที่จะคุยกับหลวงพ่อใจหนีไปคิดดูออกไหมขณะที่หนีไปคิดเนี่ยเราลืมกายลืมใจดูออกไหมเนี่ยขณะนี้ยจิตเป็นยังไงขณะเนี้ยนิ่ง ออให้รู้ทันนะอันนี้เราก็ปรุงขึ้นมาไปทําให้นิ่งเห็นไหมจิตมันปรุงแต่งได้ตลอดเวลาคือไม่ต้องสนใช่ไหมครับดูไปว่าจะตื่นหรือเปล่าหรืออะไรไม่ต้องสนใจดูตามที่เขาเป็นนะอย่าเติมอะไรลงในการรู้ของเรารก่อนจะรู้อย่าอยากรู้นะระหว่างรู้อย่าถลําลงไปจ้องรู้แล้วไม่แทรกแสงไม่เติมอะไรลงไปอีกนะแล้วว่าที่ทผมปฏิบัติมามีติดมากไหมยังครับ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 หลวง่ออีกข่ามครับถ้าถ้าเกิดสมมติมผมจะเห็นเวล า, าผมไปบวชกับหลวงพ่อได้ไหมครับ <c oughs> หลวงพ่อต้องดูก่อน <c oughs> คนจะมาสมัครบวชอยู่หลวงพ่อเยอะเลยนหลวงพ่ อ, พอสองสัต้องสร้างคอนโดพระ <c oughs> เอาว่างไงนมัสการหลวงพ่อคะ่ะคือฟังเสียดีหลวงพ่อมาเยอะเหมือนกันคืออยากจะทราบว่าตัวเองลองปฏิบัติแล้วอยากจะทราบว่าที่รู้รู้ถูกหรื อ, อยังคะเห็นกิเลสบ่อยไหมวันวันหนึ่ง ไม่บ่อยมากค่ะขนาดนี้รู้สึกตัวยังคิดว่าขนาดนี้รู้สึกตัวยังไม่แน่ใจค่ะเออไม่รู้สึกอ่ะ <laughs> ยังไม่ได้รู้สึกนะแต่ว่าใกล้เคียงแล้วสังเกตไห้ใจของเราที่มาถึงวันนี้กับก่อนหน้านี้เริ่มไม่เหมือนกันละวดูออกไหมใจเราสว่างมากขึ้นโ <c oughs> ปล่งมากขึ้นเบามากขึ้นดูออกไหมตรงนี้ออกค่ะเออเนี่ยคยดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย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 ทันทีที่รู้โดยไม่ได้เจตนารู้เนี่ยจิตเป็นกุศลแล้วสติระลึกได้แล้วความกังวลกวาดยังกระเด็นหายไปเลยเพราะทันทีที่สติเกิด น, นะอกุศลจะต้องดับทันทีแล้ว mm hmm. นะใจก็จะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเดียวรู้สึกไหมจะรู้ตัว <c oughs> ได้แว บ, บเดียวนะแล้วเดี๋ยวก็จะหลงไปใหม่ใช่ค่ <c oughs> ะเพรั้นเวลารู้สึกตัวจะรู้ทีเราแว บ, บเดียว mm hmm. แต่ถ้าฝึกไปเรื่อยมันจะแว บ, บบ่อยเดี๋ยวก็แวบบเดี๋ยวก็แวบบเดี๋ยวก็แว บ, บนะ mm hmm.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 เราไปเจออะไรแล้วไปจ้องอยู่น่นอันนั้นไม่ใช่การดูจิตนะหลงไปเรียบร้อยแล้วหนะลงตั้งแต่ไปกวานหาแล้วนะให้รู้ว่าส่งจิตไปกวานหาเนี่ยรู้ตรงนี้เลยพอดีแล้วละ่ะค่อยฝึกไปกราบเรียนหลวงพ่อว่าเวลาที่เรารู้สภาวะขึ้นมาแล้วก็จะจับตัวสภาวะนั้นอยู่ต่อไปหรือว่าเรามันจะให้เรารู้ลงปัจจุบันไปเรื่อย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 นี่รู้ลงปัจจุบันไปที่นี้โยมจะไปดูไอ้ตัวโทสะว่ามันจะหายไปเมื่อไหร่จงใจดูมากไปถ้าจงใจดูมากไปจะทื่อๆไปนิดหนึ่งไม่สดชื่ น, นที่ฝึกอยู่พอจะใช้ได้แล้วยค่ะเห็นไหยตอนส่งไมโครโฟนลืมตัวเองเวลาส่งไมนี่นะเป็นเวลาปรับเสียนนะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยพอเวลาหลวงพ่อบอกเนี่ยส่งไมแล้วเผลอนะคนถัดมาจะเริ่มส่งไมแบบนี้ ไอ้อย่างงี้ก็เผลอนะเผลอไปอีกข้างหนึ่งเผลอบังคับตัวเองสิ่งที่ผิดมันมีสองอันเผลอไปใจลอยไปเลยกับบังคับตัวเองสิ่งที่ผิดมีสองอันไมโครโฟนไปไหนข อ, ขอกลาบเรียนถามหลวงพ่อนะคะตอนที่กำลังถามเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะคะจะกลาบเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ดิฉันภาวนาอยู่เนี่ยถูกไหมคะถูกทางไหมคะแปลกเนาะที่นี่ส่งกันบ้านแบบนี้ <laughs> จิตขณะนี้เป็นยังไงตื่นเต้นอยู่อะคะอ่ะตื่นเต้นถูกต้องเดี๋ยวนั่งไปก่อนนะอาคนอื่นก่อนเพราะตอนนี้จิตไม่เป็นปกติมันไม่ไม่เหมือนธรรมดาที่เคยเป็นนะ้ำนะมศการหลวงพ่อค่ะมาจากนกครสวรรค์ น, นะคะแล้วได้มาศึกษาหลวงทางของหลวงพ่อประมาณเดือนพฤษภาถึงวันนี้แล้วเนี่ยบางครั้งส อ, สอนหนังสือแล้วเผลอไปทั้งวันมันรู้สต่ตอนเย็น อ, อยากเรียนหลวงพ่อว่า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 อ, อ, อย่างนี้ถูกไหมคะถูกต้องแล้วที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะฝึกอยู่ดีละว อ, อ๋อโยมนันนะ่น่ะเมื่อกี้หนีไปคิดอนะ่ะรู้ไหมเออนะจะให้เป็นหนีไปคิดนะรู้ทันนะครับกรบาบธรรมสการหลวงพ่อครับเอที่เคยได้ยินว่ามันจะมีการรู้ตัวที่ผิดพลาดครับที่อย่างเช่นการรู้ตัวแบบรู้ตัวแบบคลาดแบบการการรู้ตัวแบบคลาดคลาดเคลื่อนนะครับไม่ทราบว่า จะทำอย่างไรถ้าเราเกิดสภาวะนั้นขึ้นมาครับถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าผิดนะเมื่อ น, นั้นจะถูกอัตโนมัตินะอย่าพยายามทำให้ถูกนะถ้าเมื่อไร่พยายามทำให้ถูกเมื่อ น, นั้นจะผิดเลย อ, อยากถูกก็เป็นกิเลสและะ้วเพราะฉะนั้นถ้าใจเราอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัตินี่ปฏิบัติเสร็จแล้วนะหลวงพ่อเคยโดนครูบาอาจารย์องค์หนึงเคยเล่าหลายดีล้ว ว่าตอนนั้นไปอยู่ในวัดป่าเนี่ยเกือบสามสิบปีไปแล้วตอนเช้าเดินไปเห็นเก้าอี้หินนะอยู่ใต้ต้นไม้ร่มรื่นริมสระน้ำใจมันคิดเลยตรงนี้น่าภาวนาอยากภาวนาอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยพระองค์หนึ่งท่านตะกวนข้ามสระน้ำมาเยบอกปราโมทอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วโอ้ตอนนั้นรู้ทันเลยอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วนะเราเห็นความอยากเลยเนี่ยนั้นให้รู้ลงปัจจุบันไปด้วย แค่อยากรู้ให้ถูกก็ผิดแล้วบ้างไงบ้าไงบางบางทีอยากแบบว่าคือพยายามดูอย่างสบายๆครับแต่รู้สึกว่ามันก็ยังมัวมวอยู่ครับอาจารย์นั่นรู้ถูกต้องแล้วนะจิตยังมัวมัวอยู่ถูกต้องแล้วใช้ได้จิตมัวรั่วมัวก็วคือจิตมีโมหะรั่วมีโมหะนั่นเองโมหะมันจะมัวตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมใจมันไหลแว บ, บไปรู้สึกไหมใจไม่สบายดูออกไหม ใจไม่มีความสุขเพราะว่าไม่มีความสุขใจเป็นยังไงรู้อย่างนั้นรู้ไปเรื่อยตามรู้ไปนะอย่าจงใจของคุณลดความจงใจลงนิดหนึ่งแล้วจะสบายที่ภาวานาอยู่ใช้ได้ใจเริ่มตื่นแล้วรู้สึกไหมใจเราสว่างใจเราตั้งมั่นใจเราเบิกบานมากขึ้นมากขึ้นหนีไปคิดแล้วทราบไหมโน่นคนโน้นอ่ะหนีไปคิดอีกแล้วดูเอาหรือยังมาถามหลวงพ่อว่าภาวานาถูกยังหลวงพ่อหันมาหลายรอบยังไม่ถูกสักรอบนึงอะ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 เราภาวนาไม่ได้เอาความสุขความสบายไม่ได้เอาความไม่เครียดไม่ได้เกลียดความเครียด Jenna. แต่เราภาวนาเนี่ยสภาวะธรรมทั้งหลายเสมอภาคกันทั้งหมดเลยของคุณดูออกแล้วใช่ไหมมีสามอันเผลอไปรู้สึกขึ้นมาแล้วก็เพ่งสามอันเนี่ยเสมอภาคกันแต่เราชอบรู้สึกตัวเราไม่ชอบเผลอกับไม่ชอบเพ่งรู้สึกไหมดังนั้นใจมันมันเพ่งนะให้รู้ทันนะว่าเพ่งเพ่งแล้วอยากหายเพ่งอยากเลิใเลกให้รู้ทันว่าอยากเลิกรู้ลงปัจจุบันไป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 รู้ไหมว่าอาริยสัจสี่เนี่ยเป็นหนึ่งใน5ของธรรมะพื้นฐานที่เรื่องอนุปุพิกถาพระพุทธเจ้าสอนอนุปปิกถากะคารวาสนะกะคารวาสคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยนั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนอนุปปิกถาสอนให้ทําทานนะทําทานแล้วดีนะทําทานอย่างเดียวไม่พอให้ถือศีลด้วยทําทานถือศีลด้วจะมีความสุขนะเรียกว่าได้สวรรค์ความสุขนี้ก็ยังไม่เที่ยงนะ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงควรจะหาความสุขที่ประนีตยิ่งกว่านี่สอนให้เห็นโทษของกามแล้ววิธีหาความสุขที่ประนีตยิ่งขึ้นไปก็คือมาเรียนรู้อริยสัจมารู้กายมารู้ใจนะเรียกว่ารู้ทุกข์นี่สอนอย่างนี้นะสอนอันนี้ขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วอย่างพระยาศะพระยาศะกับเพื่อนหลาย10องค์ก็ฟังธรรมะอันนี้แหละ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 หรือเราไปทําตามๆกันหนะลวงพ่อเองตอนไปบวชนะหลวงพ่อไปลาลูกศิษย์หลวงปู่ดูลรุ่นพี่นะท่านชวนหลวงพ่อบวชหลวงพ่อไปลาท่านว่าผมจะไปบวชลวนะท่านก็ไวใ้ใจให้พรใหญ่เอาเลยนะลุยเลยนะสู้ตายเอาให้แตกหักให้ได้ให้มันสิ้นธุระเลยนะเร็วๆด้วยนะต้องเร็วๆด้วยนะเรียกร้องเยอะโอ้โพอบวชนะหลวงพ่อเดินจงกรมหามลุ่มหามค่ำเลยเพราะอะไรเพราะลูกศิษย์รุ่นพี่เนี่ยท่านเดินจงกรม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 ของเราคนไทยเราชอบมาแปลว่าทุก์เป็นของควรกําหนดรู้ปรินเยยยายงไม่ได้แปลว่ากําหนดรู้ปริญเยยยายงมาจากคาว่าปะริปะริแปลว่ารอบเยยยายงมาจากคำว่ายารากศัพท์ของมันคือยายอหญิงสละอาแปลว่ารู้ปริญเยยยายงก็ควรรู้ให้รอบควรรู้รอบหมายถึงอะไรรู้รอบในกองทุกข์ก็คือรู้กายรู้ใจนั่นเองนะไม่ใช่รู้อันใดอันหนึ่งนะ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 นะบอกว่าหายใจให้จังมีสติอานาปานาสตินะคือหายใจนะมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอนาปานาสติก็นะมีสตินะมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกของเราก็กลายเป็นว่าจะเอาสติไปจ้องลมหายใจตรงไหนบ้างจะตั้งจ้องที่ปลายปากปลายจะงอยปากที่จมูกหรือทีนะ่เพดานปากที่หน้าอกนะหรือที่ท้องนะเหนือสะดือสองนิ้วอะไรเงี้ย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 มีสติขึ้นมารู้ทันกายรู้ทันใจไปรู้ไปเรื่อยๆใครถนัดจะรู้อะไรก็รู้นั้นแหล ะ, ะกราบธรรมสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้างค่ะคือว่าตอนนี้เวลาทํางานนะคะบางทีก็พอก็จะรู้สึกอตัวขึ้นมาแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะเพ่งขึ้นมาทันทีค่ะก็ะเลยปล่อยใจให้มันลอยๆเผลอๆไปแล้วเดี๋ยวค่อยรู้ใหม่ค่ะหลวงพอ่ออันนั้นก็เป็นอุบายเป็นแทคกติกเหมือนกัน นะถ้าเป็นหลักของการปฏิบัติก็คือเผลอไปรั่วเผลอรู้สึกตัวก็รู้ว่ารู้สึกเพ่งก็รู้วเพ่งนี่เป็นหลักนะแต่ถ้ามันเพ่งมากจนกระทั่งเครียดก็ต้องมีอูบายอูบายเป็นเครื่องแก่อูบายไม่ใช่หลักนะถ้าเราหลงอูบายมากมไม่ดีจะกลายเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายอูบายมากไม่ดนะีแต่ว่าใช้เมื่อจําเป็นเนี่ยไดนะ้เพราะฉะนั้นเวลาที่ใจเราไปเกาะอะไรนิ่งๆ น, นะเวียงมันให้กระเด็นออกไปเลยหลงไปเลยห ล, ล, ล, ล, ลงแล้วรู้สึกเอาใหม่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 มันอยากต่อยเขาต้องรู้ว่าอยากต่อยนะอยากตบต้องรู้ว่าอยากตบนะอยากกะแนกกแหน่ต้องรู้ว่าอยากกระแนกกแหน่นะเนี่ยถ้าไม่รู้ทันตรงนี้มันจะผิดศีลห้าแต่สมมติมันอยากแล้วอยากตบเต็มทีม่ poner, แล้วเก็บมือเก็บเท้าไว้นะนึกถึงศีลของเราไว้ให้ดีนะตั้งสัสจจะอย่าผิดศีลศีลจําเป็นมากนะศีลจาเป็นมากถ้าเราไม่รักษาศีลไม่ตั้งใจสมาทานศีลเอาไว้ในใจเราศีลไม่ต้องขอใครนะไม่ต้องมาขอพระนะศีลมันคือเจตนาที่จะงดเว้นการทําบาปอกุศล5อย่างนั่นแหละ เราก็ตั้งใจงดเว้นซะพอกิเลสเกิดมาเราคอยรู้ทันมันถนะ้ากิเลสรุนแรงเนี่ยนะมันอยากทำผิดศีลแล้วเราไม่ทำนะอันนี้ใช้ศีลมาช่วยศนะีลเหมือนปลาการด่านสุดท้ายเลยนะที่จะไม่ให้เราทำชั่วกรนะอบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะพอดีเพิ่งเริ่มปฏิบัติแต่ว่าไม่ทราบว่ามาถูกทางหรือเปล่าอมืมาถูกแล้วมาศาลาลุงชินได้ก็ได้แลแ <laughs> <laughs> ม่เลี้ยวเข้าบิ๊กีไป ให้คอยดูกิเลสตัวเองไว้กิเลสยิ่งเกิดบ่อยยิ่งดีวันวันหนึ่งอ่ะคอยดูกิเลสของเราเองไว้กิเลสเกิดมาแล้วคอยรู้กิเลสเกิดมาแล้วคอยรู้ฝึกไปอย่างนี้ง่ายๆ่าแต่ว่าก่อนนอนนะอย่าลืมทํากรรมฐานนะไหว้พร้าส่วนมนทําสมาธิเดินจงกรมในรูปแบบจําเป็นนะมีประโยชน์มากเลยอย่างเราหัดไหว้พร้ามีคนหนึ่งมารายงานหลวงพ่อแม้แต่ก่อนส่วนมนเก่งนะทุกวันนี้พอส่วนมนได้ไม่กี่คำเนี่ยเห็นเลยใจไหลไปที่อื่นแล้ว ปากมันก็ยังสวดตามเดิมนะแล้วมันสวดไม่ผิดด้วยนะแต่ใจมันหนีไปเขาบอกเขาเห็นเลยสวด2ล้ําั้งคำหนีแบบวบสวด2ล้ําั้งคำหนีแวบบอกใช้ได้ละสวดต่อไปถ้างั้นสวดมันทั้งวันเลยแล้วดูใจที่แวบๆบเแบบนี่ยนะฝึกไปทุกวันต้องฝึกซ้อมนะไม่้พระส่วนมนต์ทำสมาธินะเช่นหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธนะแล้วใจเราหนีไปเราก็ค่อยรู้ใจไปเพ่งก็ค่อยรู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลคอยรู้ได้เลย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 เจริญสติตามรู้ตามดูไปจนใจถลำออกไปไม่ตั้งมั่นต้องเพิ่มสมถะเนี่ยเพราะนั้นสมถะก็มีประโยชน์นะบางคนนึกว่าหลวงพ่อไม่สอนสมถะไม่ใช่น ะ, ะกับน้ำมัสการหลวงพ่อครับตามที่อ่านหนังสือในอที่หลวงพ่อเขียนวาเนี่ยสภาวะธรรมที่เรียกว่าละหูตาแล้วก็มุทุตา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 เกิดการกระทํากรรมนะกิเลสเป็นสหาชาตาปัจจัยของกรรมกิเลสยังอยู่ในขณะที่ลงมือปฏิบัตนะิจิตดวงนั้นไม่ควรแก่การงานไม่มีกรรมัญญาตานะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยต้องมีป่ากุณตาคล่องแคล่วปราดเปรียวถ้าเราภาวนาแล้วจิตของเราซึมซมไม่รู้เหนือรู้ใต้นะทำผิดแน่นอนนะจิตที่ซึมกระเทือไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้เหนือรู้ใต้นะใช้ไม่ไดนะ้จิตต้องมีอุชุกตาหมายถึงรู้สภาวะทั้งหลายอย่างซื่อตรง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 กันโยมคอยสังเกตวิธีทําสติให้เกิดถ้าใจเราไหลแวบไปรู้สึกใจเราไหลแวบไปไหลไปคิดนะ่ะนะใจไหลไปคิดโยมนึกออกไหมขณะจิตเนี้ยกาลังไหลไปคิดนะขณะเนี้ยนะก็ค่อยรู้สึกเอาโยมเอาของมาให้หลวงพ่อเยอะนะวันวันหนึ่งปีปีหนึ่งหลวงพ่อใช้ไม่หมดนะขออนุญาตส่งต่อไปหลวงพ่อส่งไปวัดทางอีสานะส่งไปมีวัดที่คอยรับของหลายสิบวัดอยู่นะทางนั้น